ธรรมชาดกแผ่นที่8ลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่30ตุลาคม2555มีชื่อเรื่องว่าบ้างไฟพญานาควันนี้เป็นวัน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 รับประทานวัดป่านาคำน้อยของเราเพื่อตั้งจิตเทวฐานว่าข้าพรเจ้าจะรักษาอุโบสถตลอดไตรมาสสามเดือนเลือดทุกวันพระหรือรักษาศีลห้าหรือจะงดอบายจะมุกหรือจะไหว้พระทุกวันหรือจะใส่บาตร ท, ทาบุญทุกวันเหล่านี้เป็นต้นแต่บัดนี้ได้ผ่านมาแล้วเมื่อเราได้ทํา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 ที่ได้ทำนี้จงบรรลดานให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญนะคือให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานสรุปแล้วก็คือเมื่อเราทําคุณงามความดีแล้วพวกเราก็ควรจะขอพรน ะ, ะคือขอพรจากพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไอ้อันนี้คือความถูกต้องอไม่ใช่ว่าปลูก ป, ปรับไป ไปยังไม่ได้ทําคุณงามความดีและไมิแต่ไปขอพรดะไปเรื่อยแล้วพรนั้นจะประสิทธิ์ประสานให้กับพวกเราได้อย่างไรแต่ถ้าว่าพวกเราทําคุณงามความดีซะก่อนเราจึงขอพรนีแ่แหละพรจึงประสิทธิ์ประสาทให้แก่พวกเราพวกเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญทางทางธรรมและทางโลกแล้วกับปาถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบ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 ความโลภความโกรธความหลงหรือว่าราคะโทสะโมหะครอบงำใจของเรามีแต่ความระทมทุกข์ในจิตในใจอ น, นั้นพวกเราคนจะหาวิธีหาวิธีปลีกตัวอ อ, ออกไปซัดแบตเตอรี่ตามวัดวาศาสานาหรือครูบาอาจารย์ที่เรารักเคารพนับถือที่เป็นแบบฉบับและเป็นตัวอย่าง หรือว่าเป็นผู้จะแนะนําสั่งสอนตัวของเราได้นะหลวงพ่อเองก็ไม่ใช่จะแนะนําให้มาวัดนาคําน้อยของหลวงพ่อแห่งเดียวไม่ใช่นะพวกเรารักเคารพในครูบาอาจารย์องค์ไหนที่จะเป็นตัวอย่างหรืว่เป็นแบบฉบับของเราได้เราก็เข้าไปฟังแล้ว่าปฏิบัติธรรมอยู่ในโอวาทของท่านแล้วก็บําเพ็ญทานศีลภาวนาเพื่อขัดเกลากิเลสภายในจิตใจของเรา ถาว่าเราไม่ได้เข้าไปสูว่วัดวายศาสาศนาสเลยยหลวงพ่อว่ากิเลส ต, ตัวนี้นะมันจะเกล็นะเหมือนมันเป็นสนิมนะมันจะพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพอๆมันอาจจะไม่เชื่อบาปเชื่อบุญอีกต่างหากเพราะนั้นนถ้าว่าพวกเราพยายามสั่งสมคุณงามความดีเรื่อยๆพวกเราจะประสบความสุขในทางด้านจิตใจ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 ه, ก็ได้เห็นหลายกลุ่มที่มาดูบังไฟพญานาควันออกพรรษาแต่บางคนก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเคยเห็นไหมปังไฟพญานาคพวกหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ไม่เคยไปเพราะว่ามันคนมันเยอะแยะถ้าเข้าไปแล้วก็ไปเบียดเสียดกับฆรวาสญาติโยมหญิงชายไม่ดีพระไม่จำเป็นจะไปดูทำไม หลงพ่อก็เลยพูดว่าบังไฟพญานาคบังไฟไม่พัฒนาไม่เหมือนบังไฟญี่ปุ่นถ้าบาังไฟญี่ปุ่นเนี่ยเขาจุดขึ้นมาตุม่มขึ้นมาแตกเป็นดอกเป็นดวงบังไฟพญานาคถ้าจุดขึ้นมาลก็มีแต่แสงเหลืองเหลืองแดงแดงเลือเลือขึ้นมาฟุดขึ้นมาจากน้ำเท่านั้นเองอันนี้ก็จะเป็นอะไรก็ไม่ทราบ แต่บางคนเขาก็ว่าเป็นแก๊สเป็นก๊าซคือมาจากน้ำแต่บางคนเขาว่าบางคนเพล่เผลมากกว่า น, นั้นว่ามีคนลงไปมุดอยู่ในน้ำแล้วก็จุดบ้างไฟขึ้นมาอย่างนั้นก็มีแต่ตามไม่จริงเป็นไปไม่ได้ละเพราะเขาเห็นมาตั้งแต่ดึกตำบันตั้งแต่โบ ร, มโมราณเก่าแก่มาแล้วทำไมหลวงปู่เทศ ท, ง ท, งง ท, ท่านอย่างธงทรงธาตุขันอยู่ท่านอยู่กุฏิของท่าน อยู่ลิมฝั่งแม่น้าโขงท่านก็เห็นมันแสงมันขึ้นมาจากแม่น้ามันขึ้นมาประมาณเม็ดเนี่ยมันก็ฟดขึ้นไปบนท้องฟ้าประมาณชั่วลำตาหนึ่งและประมาณนี่แหละโดยมากท่านก็บอกว่าเออไม่จะไปพูดนะถ้าพูดเดี๋ยวก็จะหาว่าพระเห็นนู่นเห็นนี่งมงายแต่โดยมากจะเห็นเห็นวันสำคัญ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 ที่หลังพรรษาไทยแต่ปีนี้ทราบว่าเป็นวันเดียวกันนะหลวงพ่อเอพญานาคเนี่สงสัยเป็นพญานาคเมืองลาวใช่ไหมบ้างจึงเห็นเออจึงสนับสนุนวันออกพรรษาเมืองลาวเนาแต่นี้ถ้าว่าพูดไปเป็นไปได้ไหมในหลักของพุทธศาสนาท่านก็ไม่ปฏิเสธนะเรื่องพญานาคไม่ไม่ปฏิเสธ ครุฑครุดนาคภูมิมะลุกขะเทวด า, าและก็เทวดาชั้นต่างๆตลอดถึงพลมอันนี้ในหลักของพุทธศาสนาท่านยืนยันในพระไตรปิฎกท่านก็พูด อ, อย่างพวกเราเห็นสัตว์ธิรฉ า, านอย่างเนี้ยสัตติรฉ า, านก็มีนานาชนิดมีนานาพันธุ์บางชนิดก็กินสัตว์กินสัตว์บางชนิดก็กินไม้กิน หญ้ า, า, าบางสัตว์ชนิดก็กินทั้งหญ้าทั้งใบไม้กินทั้งสัตว์ด้วยฮะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นอันนี้คือสัตว์ตวโลกที่มองฮะที่มองเห็นเทว่าสัตว์ที่ราัาฉันแต่ที่มองเรามองไม่เห็นเรียกว่าภูมิมะภูมิมะเทวดาเป็นเทวดาอยู่ในภูมิที่จอมปวกปั้งที่เงื่อมผาบั้งที่ภูผาป่าไม้เนี่ยภูมิมะเทวดา ลุกเทวดาก็คือเทวดาอยู่ตามต้นไม้ที่สิงสถิตอยู่ต้นไม้ยึด ต, ต้นไม้เป็นที่อยู่อันนี้ว่าลุกเทวดาอากาศจะธาตุเทวดาทเท ว, วดาอยู่ในที่ว่างในอากาศแล้วร็ชันช้นจาตุ่มก็เป็นชันช้นหนึ่งจันทุ่มกัจับสันยันชัญญามาตาวติงตาวติงยามาตุสิตา นิมาราตตีปรินิมวิสาวตีอันนี้ก็คือชั้นสวรรค์แต่ละชั้นก็แตกแตกต่างกันในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพญานาคนี่มีไหมเนี่กัพญานาคท่านบอกว่าท่านเป็นประเภทประเภทตระกูลตระกูลงูนะเป็นสัตว์ทิรฐิฉาสนเป็นตระกูลงูแต่ในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธการท่านก็บัญจัด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 ป่าเชตะวันแต่ว่าพญานาคเนี่ยตามหลักสูตรแล้วเนี่ยเขาว่าในพระไตรปิฎกท่านพันบอกไว้นะท่านว่าพญานาคเนี่ยถ้าว่านอนหลับพญานาคนอ น, นจะกลายเป็นงูทันทีคือว่ารูปร่างตัวเองเนี่ยคลายคลายลิ์ทันทีเพราะมันขาดเจติมันคลายฤิ เป็นงูทันทีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีเพศสัมพันธ์อันนี้ก็คลายออกจากเล็ดทันทีอันนี้คื อ, คอพญานาคนะอันนี้ท่านพูดนะไว้ในพระไตรปิฎกท่านี้มีพระองค์นะั้นที่ปวดเป็นนาที่นาคบวชนะท่นี้ก็พระองค์นั้นกับเหมือนกับพระองค์อื่นๆทั่วๆไปวันหนึ่งพระทั้งหลายกําลังตัดเย็บผ้า กําลังทํางานกันชุกละหุกหตพระองค์นี้ก็เข้าไปในห้องพอเข้าไปห้องแล้วก็ไปนั่งพิงฝาเลยแต่ว่านากนี่มันชอบหลับนะอย่างงูเหลือมน่ยมันชอบนอนนะนากร้อก็เป็นนอนไปฟิงพิงฝาพอพิงฝานากหลับท่นี่พระนาคนะพอหลับไปท่านี่เป็นงูเต็มห้องเลยงูใหญ่ให้ท่านี่พระ ทำการทำงานเสร็จแล้วก็เปิดประตูเข้าไปพอเปิดประตูเข้าไปไปเห็นนาคไปเห็นงูเต็มห้องเอร้ อ, องเลยออกมาแล้ว น, นั่นแหะว่างูเห็นงูอยู่ในห้องงูใหญ่ฮแทนี้ก็พระสงฆ์ท่านกเที่ไหนก็เตรียมตัวค่อยๆเปิดเข้าไปเห็นแต่พระองค์นั้นนั่งจุก ป, ปุกอยู่ในห้องฮะแอนั่งจุก ป, ปุกอยู่ในห้องแทนี้ก็ถามว่อาอ้า ท่านเห็นงูไหมองค์นั้นก็บอกว่าผมผมเลยแล้วเป็นงูอา้าวทำไมท่านเป็นงูทำไมท่านเป็นพระบอกว่าผมเป็นนาคมันโกหกไม่ได้นะแอเป็นพระแล้วก็เป็นเนี่ยผมเป็นนาคครับผมเรื่มใสในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าผมก็เลยขอบวชและหลังจากนั้นพระสงฆ์ก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าว่านี้ เป็นนาคไปบวชได้ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกอในศาสนาของเราตถาคตเนี่ยสัตว์ทร่ฉ า, าในให่บวชไม่ได้เทวดาอินพรหมบวชไม่ได้ทั้งนั้นจะบวชได้ก็คือมนุษย์อย่างเดียวเ อ, อ่อถ้าเป็นมนุษย์นะบวชได้ในศาสตร์ของศาสนาของเราตถาคตเพราะนั่นจะเป็นสัตว์ทีชาร่ฉานที่เป็นเทวดาอะไรก็ตามบวชไม่ได้ไม่เอานุ ญ, ญาตให้บวช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 พระเทวทัตเนี่ยเป็นลือศีอยู่ในป่าแต่ในพญานาคเนี่ยก็เข้ามาหาลือศีเข้ามาหาไปคล้ายว่าพวกนี้เป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นธรรมเห็นสมณะหรือเป็นลือีชีภัยอยู่ในป่าเป็นผู้บําเพ็ญตะปะอยู่ในป่า อ, อก็เข้ามากราบมาไหว้มาเคารพสักการะบูชาปถือว่าเป็นผู้ทรงศีลเนี่ย พญานาก็จำแรงจำแรงตัวเข้ามาเขามากลาบมากราบลสีเป็นประจำแต่ในวันหนึ่งพญาครุฑก็จะเข้ามากลาบพลสีเหมือนกันแต่จำแรงตัวเองเป็นเป็นมนุษย์เหมือนกันออพอจำแรงเป็นมนุษย์แล้วจะมากลาบพลสีแต่ นาค ก, กับคุดมันเห็นกันในะรู้เลยนะถึงจะเป็นมนุษย์ด้วยกันก็แพอเห็นปุ๊บนาคเนี่ยกลัวคุดอย่างมากนะพอเห็นปุ๊บจําแรงหลบหนีเลยแต่พยาคุดก็ทําท่ามองอก็เลยถามลืสีว่าที่ไปเมื่อกี้เนะี่ยมนุษย์อันนั้นเป็นใครนะรือีก็บอกว่าเป็นนาคเนเป็นนาคจากนั้นก็ก็แล้วไปละ พอต่อมาอีกพอมาเจอกันอีกหน้าก็ลบหนีอีกแต่คดเนี่ยก็เลยถามว่าถามฤศีว่าเอ๊ท่านฤศีตะกอนเนี่ยพวกผมเนี่ยพญาคตเนี่ยไปจับพญานาคเนี่ยจับพญานาค ก, กินบ่อยๆคือโดยมากเลยเหมือนกับเหยี่ยวกินงู ล, ลักษณะนี้นนะเหยี่ยวจับงู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 ยาวเกือบเป็นเม็ดสองเป็นเกือบเป็นเม็ดน่้นะมันขยุมขึ้นไปท้องฟ้าเนะี่ะจากนั้นก็งูอย่างดิ้นหนาวหนาอยู่นะ่ะหลวงพ่อก็เคยเห็นอันนี้แหละอันนี้ก็คือคดเนี่ยก็คือตระกูลของอของเหี่ยว น, ะนาค ก, ก็คือตระกูลของงูฮะ เ, เป็นเป็นตระกูลนะแต่ใ้งูคดตอนี้มันก็ เ, เห็นเห็นนาคไงนาคก็หลบหนี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 คดเนี่ยตายไปมากต่อมากไม่เหมือนตะกอดมันมีเทคนิคอะไรตะกอนมันไม่เหมือนอย่างนี้นะฤฤษีก็เลยถามมันเป็นยังไงพญานาคบอกคดบอกว่านาคันอยู่ใต้บาดาลอยู่ในพื้นท้องพื้นมหาสมุทรจากนั้นพญาคตเนี่ยมันจะจับพญานาคมันจะกระพือปีกมนะันเหมือนก็ะเจียวมันกระพือปีกน้าทะเลมันแหวกออก พอมันแแบบออกที่นี้เนี่พยพญานาคมันก็ไม่มีที่ไปเลยมั น, มนก็ชูคอสู้เลยเอสูคอสู้กัแต่ก่อนจับลากคอขึ้นมาบินขึ้นมาบนท้องฟ้าอลไรกันเอามากินได้แต่พอตัวมาเนี่ยพอไปจับคอนาคลากขึ้นมามันลากไม่ขึ้นเลยเออมันแน่นมันหนักผลในสุดกําลังลากเองน้ําก็ไหลพบเข้ามาโดยมาก โคดโคดก็ตายตายเพราะว่าน้ําท่วมในขณะที่ดึงลากนาคขึ้นมาไม่พน้นไม่พ้นน้ำํำมันเป็นเพราะอะไรขอให้พลือ้อศรีถามนาคหนสิว่ามันเป็นยังไงทางพลือ้อศรีก็เออพอต่อมานาค ก, ก็เข้ามา้าก็มาพลื้อศรีก็เลยเรียบเรียบเคียงเคียงถามเลยเ อ, อ พญาคุดเขาว่าเขาจับนาคตระกอนจับได้ง่ายแต่บัดนี้ทําไมจับไม่ได้พญานาคระยินด น, นั้นโมโหขึ้นมาเลยเออจะมาถามผมทําไมอันนี้เป็นเรื่องคอขาดปาใต้เรื่องของเรื่องของตระกูลไปบอกได้ยังไงเรื่องความลับท่านจะถามอีกนะต่อไปนี่นะออพอว่าดนั้นนาคกหารหันหลังให้ไม่พูดกับื้อสีเลยนะสแสดงความโกรธพอต่อมาอัอนนั้นไปหาฤาษี ลือศีก็ถามอีกลือศีก็พยายามถามเหมือนกันาถามพญานาคมันเป็นอะไรหลายครั้งต่อหลายหนลือพญานาค ก, ก็อ่อนลงอ่อนลงถถ้าหากว่าท่านอยากจะรู้ก็รู้ได้แต่ท่านห้ามพูดเด็ดขาดอันนี้เป็นความลับของของนาคของตระกูลถ้าหากว่าใครรู้ความลับตัวนี้ขึ้นไปในตาจีบหายทั้งโคตทั้งตระกูลเลยท่านเนี่ย ห้ามบอกเด็ดขาดนะทางพลูษีก็อา้าวข้าไปเจ้ารับจะไม่บอกความลับเมื่อ น, น่าบอกความลับไปแล้วจะไม่พูดให้แก่ไฟฟังโดยเด็ดขาดนะาทางนาเขาเอาือท่าว่าท่านต้องการท่าว่าท่านลับเป็นมั่นเป็นเหมาะอย่างนี้แหละผมจะพูดให้ฟังผมจะเปิดความลับให้ฟังหน้าก็บอกว่าตะกอนเนี่ย พญาคุดเนี่ยพวกคุดเนี่ยลงไปแหวกน้าทะเลลงไปแล้วนา ก, ก็ชูคอสู้เพราะไม่มีที่ไปแล้วเนี่ยนา ก, ก็ลากขึ้นมาแต่ต่อมาเนี่พอนารู้ว่าพญาคุดแวกบินแหวกน้ำ ม, มหาสมุทรพวกนาคทั้งหลายที่จะเป็นหัวหน้าที่จะสู้กับนาคเนี่ยกลืนหินเข้าไปในท้องหนันกเลยเหมือนกัน่ คตก็เลยตายเพราะอหห i, พอหลากหนักไม่ขึ้นแต่ถ้าว่าคุดรู้จักวิธีวิธีกรรมนะอคุดไม่ต้องจับพอลจับผางเหมันจับผางลากขึ้นมาก้อนหินไหลออกทางปากนะกินเอาไปกินมดวหางอนกันเอานักพูดนะอันนี้คือความรับของตระกูลนะท่านห้ามพูดเด็ดคาดเอหนกักนักบอกรือสีนะ พอต่อมาตือสีก็ทราบแลวพอนี่ตือสีก็คงถือสีปากบอลเนาะเหนนได้ยินเข้ามาแล้วก็อยากจะพูดให้ใครๆฟังนะ่ะพ่อเองรู้ความลับของเขามันก็เหมือนกับบางคนนะ่ะบางคนรู้ความลับไม่ได้เด้พอ่อรู้ความลับของคนอื่นนะ เ, เหมือนมันปากคันมันปากบอนเหอนนนะนะอดนทนไม่ไหวไงนี่แหละอันนี้คือตือสีฉะนั้นก็พอได้ขึ้นมาไเห็นพยาคุดมา มากกัอพยาคุดวันนีอยาคุดก็เข้าไปรู้ไหมที่ว่าพยาคุดเนี่ยไปจับพญานาคขึ้นมาเน่ะมันไม่พ้นน้ำนพอไปจับคอมันมันกืนหินเข้าไปในท้องอต่อไปถ้าไปจับหางขึ้นมาได้นะก้อนหินมันจะไหลออกทางปากมานันดึงขึ้นมาได้ง่ายเฮย่างงั้นเหรอเออจากนั้นกับไปลองเดี๋ยวนี้แล้วคน จากนั้นพญาโคตก็ บ, บินไปเลยอิบินไปก็ไปแหวกน้ําทะเลอย่างที่ว่านนะพอพญานาค ก, ก็โชว์ค อ, อขึ้นมาทำท่าจะฉกพญาโคตรแต่ทั้งกลัวก็กลัวแหะทียมันไม่มีที่ไปพญาโคตรก็โดดปุ๊บลงไปจับหางเลยลากขึ้นมาเลยพอลากขึ้นมาเลยก้อนเหินก็ไหลออกจากปากพญานาคเท่เนย เออพออยากนาคือมาขึ้นม า, นมาท้องฟ้าอะไรสิทางพญานาคโอตายข้าพเจ้าบอกความลับให้แกฤาษีเออข้าพเจ้าจีบหายใช่แล้วเออทางพญาคุฑบอกเ อ, อ้นอยนาคยาบนเป็นความโง่ของแกเองเออแกไปบอกความลับให้แกคนอื่นได้ยังไงความลับของตระกูล เนี่ยเธอจิบหายเพราะความเพราะตะแก่บอกความลับพญานาคโอ้ยคื อ, อยังไงก็ข อ, อชีวิตไว้โดยเธอพญาครุเลยเป็นความโง่ของข่าและขราวนี่เออเอาถ้าอย่างนั้นกเ็เราให้อาภายัยต่อไปนะอย่าไปอย่าไปทำอีกนะครับถา้างั้นเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาลือสีเดี๋ยวนี้แหละ เ, เพราะว่าลือสีเนี่ย ผมบอกให้สัญญาแล้วว่าจะไม่พูดเ อ, อผมให้สัสญญาเราจะไม่พูดจะไม่เปิดความลับแต่ถ้ามันเปิดความลับนผมจะไปฆ่าฤาษีเดี่ยวนี้แหละเพราะว่าท่านพยาคุดก็ไม่ไปด้วยแต่พยาคุดอยู่ข้างนอกพญานาเข้าไปไปตัวเดียวไปคนเดียวพอไปท่านฤาษีท่านทาไมท่านรับคําของข้าพเจ้าแล้วว่าจะไม่บอกความลับให้แก่ใคร แต่ทำไมท่านจึงเปิดเผยความลับของข้าพเจ้าให้แกน่นาคให้แกครุดละ่ะลือศีก็เอา้าเราไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดยังไงท่านปูน่ะนาคจับข้าพเจ้าเดียวนี้ไอ้คุดคุดจับข้าพเจ้าเดียวนี้เองอขเเ น, องนขึ้นมาเนีือศีก็จนปัญญาเท่เลยเพราะว่าพญานาคบีบคั้นเข้าไปเออพญานาคก็บอกว่าท่านเสียคําสัต์ ที่ท่านให้คำสัตย์กับข้าพเจ้าว่าจะไม่เปิดความลับให้แก่ใครแต่ท่านเปิดความลับให้แก่ครุฑฟังด้วยสัจจะวาจาด้วยสัจจะคือความจริงจังจริงใจเนี่ยท่านไม่รักษาคำสัตย์ขอให้ศรีรษะของท่านแตกเป็นเจดภาคเดียวนี้พอตั้งจิตนธติฐานพอพูดจบเท่ศาศีรษะของพู้ลศีก็เลยแตกปั้งเหมือนกับแตงโมแตกอย่างนั้นแจกเป็น7ดภาคเลย ลือีนันก็ตายพอตายเสร็จแล้วก็ทั้งคุดทั้งหนาก็เลยบอกอต่อไปนีเ่เราจะเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันะจะไม่เบียดเบียนกันจากนั้นก็เหรอต่างคนก็ต่างอยู่สรุปแล้วก็คือรือสีนั้นมาชาติสุดท้ายว่าเป็นเทวทัตแต่ พญาคุนเป็นพระพุทธเจ้าแต่พญานาคนั้นเรียกว่าเป็นภาษาลิบุตรหรืออะไรนี่แหละสรุปแล้วก็คือเป็นตระกูล้คนที่กลุ่มเดียวกันจะไม่ฆ่ากันนะเห็นกันณ์อะไรถึงยังไงเป็นอริสตรูขนาดไหนก็ไม่ฆ่าฆ่ากันไม่ลงนะแต่ว่าถ้าว่าเป็นคู่อริสตูกันแล้วนะ่ะนิดๆิๆหน่อยๆมีแต่จะฆ่ากันลูกเดียว น, ะนั่นแหะพราะมีการจองเวรกัน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 ในทิศทั้งหกท่านบอกว่าถ้ามีมิตรมีสหายให้เปิดเผยความลับให้แก่เพื่อนฟังได้ออันนี้คือคือส่วนหนึ่งแต่ว่านิทานเรื่องพญาครุฑกับมโหสถห้ามเปิดเผยความลับอันนี้มันเป็นตำรับตำราเหมือนกันนะในหลักของพุทธศาสนาที่พูดในฟังนี่คือพญานาคมีไหมสรุปแล้วก็คือพญานาคมีไหม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 ทวงติงเสียงดังอีกต่างหากกลัวผีจะฆ่าอย่างนั้นหละแต่ทุกวันนี้มันมันคนมันเยอะแล้วก็สื่อต่างๆอีกต่างหากเพราะนั้นเขาจึงถ่ายรูปอะไรอะไรตัวมีอะไรหลวงพ่อได้ยินแล้วก็หลวงพ่ออันให้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งแต่เราจะไปพูดว่าเป็นบั่งไฟพญานาคทีเดียวไหมหรือว่าเป็นอะไรนคนทั้งหลายเขาก็ไม่ไม่มั่นใจ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 ไปสังเกตอีกรอบสองถ้าเห็นอีกอย่างเก่าก็ขึ้นอีกอย่างเก่าอันนี้ก็แปลว่าพอละถ้าใครเป็นไปรอบที่สามในหลวงพ่อบ้าทั้งตัวไม่รู้จะไปเพื่ออะไรไปดูอะไรอีกก็เห็นแล้วเนี่ยยังไปดูอีกอเป็นเสียจะไปอย่างอื่นฮนะไปดูคู่ดูคนอีกอย่างอื่นขายังค่อยว่ากันแต่จะไปดูวงังไพรพยานาคเนี่ยไปดูอะไรมากมายนักหนาสองครั้งก็น่าจะเพียงพอนะย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 แต่จะเป็นเท็จจริงยังไงอันนั้นก็พวกเราก็สุดแสนที่จะเดากันยากนะนี่แหละเรื่องสลับความสลับซับซ้อนในโลกนีมก่มันมีมากมันมีมากหลากหลายแต่ขนาดเพียงสัตติรฉานอย่างเดียวก็พวกเราก็ยังดูสิความสวยและความเป็นอยู่ของของสัตติรฉาน ของสัตว์ทาณแต่และประเภทการเป็นอยู่ก็แตกต่างกันมาเป็นมนุษย์มนุษย์การของมนุษย์มันก็แปลกแตกต่างกันอีกแต่พวกเราเห็นช้างน่ะมันกินใบไม้มันกินของจยบหยาบพวกเราโอ้โหมันกินได้ยังไงพรพอจากนั้นเราไปเห็นหมูเห็นหมาเห็นเสือเฮามันกินสัตว์ทาณกัดกินเต็มปากสีแดง หว่ร์าไปหมดโอ้โหมันกินได้ไงสกปรกละเกินฮะอันนี้ก็คือเราเห็นเราเห็นสัตว์ที่ไรฉันมันกินกันแต่ว่าพวกเรากินอาหารเนี่ยกินปูกินปลากินไก่กินเป็ดอะไรเราก็ต้มให้สุกซะก่อนแต่วพวกเทวดาเห็นพวกเรากินเนี่ยเทวดาก็เห็นโอ้โหทําไมมนุษย์จึงกินหยาบขนาดนี้ หน้าทุเลตทุลังหน้าเกลียดจริงๆไงเทวดาเห็นมนุษย์ก็เหมือนกับเราเห็นสัตว์รี่ฉันกินอาหารอย่างนั้นอ่ะเทวดาเห็นพวกเรากินเนี่ยพวกเราโอ้โหอร่อยมากแต่เทวดาเห็นนี่ขยะขยะแข็งพอเห็นพวกเรากินอาหารแต่ทีนี้พวกเทวดาพวกพรมพรมเห็นเทวดาสวยสวยสวยแล้วว่สะสวยความสุข ในการสัมผัสนึกคิดแต่พวกพรมเห็นโอ้โหเทวดาเนี่ยหาบมากพวกพรมเนี่ยมีปีติกับสุขเท่านั้นเองเอกขตาคือความวางเฉยเป็นอาหารของพรมอาหารเทวดาก็ยังหยาบหยาบกว่านั่นะมันเป็นขั้นตอนอย่างนั้นแหะการเป็นอยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกแต่พวกเราเห็นสัดเานช แต่นานาชนิดพวกเราก็ยังว่ามันหยาบเทวดาเห็นพวกเราเทวดากับมนุษย์นี่ยหยาบกินของสกรปรกเป็นอยู่อย่างสกรปรกแต่พวกเรานี่พ อ, ออกพอใจมีความสกขนี่แหละอันนี้คือการเป็นอยู่การเจ๋อิเวจ๋อการของชีพสาหรับพวกสัปสัด ท, ทั้งหลายเท ว, วาไตรโลกธาต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 คนมีสติปัญญาดีบางทีคนมีปัญญาทึบอย่างนี้เป็นต้นเพราะนันการเป็นอยู่ของมนุษย์ก็แปลกแตกต่างกันเพราะนั้นเทวดาก็แปกแตกต่างกันมนุษย์สัตในโลกนี่แปกแตกต่างกันย่อว่าเทวภู ม, มิลุขะเทวดาพยาคุปพยานากจากนั้นก็อินพร ม, มนี่แหละแต่ว่าถึงยังไง สัพสัต ท, ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็เต็มไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะถึงจะเป็นพรมก็เถอะเวลาหมดอเิสงบดหมดบุญนะขึ้นไปเป็นเป็นทูสีบาเพ็ญบาเพ็ญภาวนานะโดยพากพวกบาเพ็ญภาวนาเนะี่ยจะขึ้นไปเป็นพรมนะถ้าหมดอเิสงพรมพอลงมาเนี่ยนะมาเกิดเป็นหมูก็มีนะ เป็นสัตทีฉานก็มีทั้งที่มาจากพรมมาจากพรมโลกนะในตำรับตาราก็มีนะเพราะว่นั้นผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพัสดูดาบันยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลพร้อมที่จะตกต่าได้ทั้งนั้นคือเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารนสูงสู ง, สงต่ำต่ำลุ่มลุ่มรอนรอ น, นแต่ถ้าว่าเราภาวนา บำเพ็ญแล้วได้เป็นพระอริยะบุคคลคือพระโสดาบันเท่านั้นแหละอันนี้แปลว่าเกาะบันไดขั้นที่หนึ่งต่อไปไม่หลุดนะเนกาะบันไดขั้นที่หนึ่งต่อไปก็เป็นพระสัคคทาคามีต่อไปก็เป็นพร ะ, ะอนาคามีต่อไปก็ขึ้นเป็นพระอรหันต์แล้วเข้าสู่นิพพานจบไม่มาเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าว่าเรายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยยังเป็นปุตชนอยู่เนี่ย เพราะพระพุทธเจ้าไม่รับรองอว่าไม่รับรองว่าวิญญาณดวงนั้นใจดวงนั้นจะไม่ตกต่ำพร้อมที่จะไปได้ทุกหัวละแหง่งพร้อมไรพร้อมที่จะไปได้ทุกอย่างาสูงก็ได้ต่ำก็ได้แต่ถ้าว่าเป็นพระโสดาบาันพระอริยบุคคลขั้นต้นพระโสดาบาันมีอยู่สามเกรดเกรดเเกรดบเกรด C นะเกรด A, นะือเกิดชาติเดียวก็ได้ตัด ได้บรรลุมรรคผลใ่ผ่านถ้าเกตบีเกิดสามชาติถ้าเ ก, B, เกาตถ้าเกตชีเ ก, C, เ, ก C, เกิดเกตซีนเกิดเจ็ดชาติแต่พระสุวดาบาลไม่เกินเจชาติจะได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์แต่พระสักากทาคาเีเกิดชาติเดียวพระนาคามีเกิดในเมืองมนุษย์พอตายไปแล้วไปอยู่ชั้นสุดถวาตห้าชั้น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 แต่ถึงยังไงพวกเราท่านทั้งหลายขาว่นนิพพานคนํานี้พวกเราต้องศึกษานอกเหนือจากสมมติทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่าเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกนนนนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่แหละาว่าเราได้ปฏิบัติรู้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 รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละกุญแจดอกแรกที่พวกเราจะเปิดเข้าสู่มรรคสู่ผลใ น, นเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตใจของเราเป็นหนึ่ง น, นเมื่อเป็นหนึ่งแล้วนะจากนั้นเราจะรู้ได้ด้วยตนเองกายกับใจใจกับกายจากนั้นเราก็พิจารณาเอาใจตรงนี้แหละอะจิตใจที่เป็นหนึ่งนะมาพิจารณากายเนยะ อย่างที่พวกเราได้สวดออ้ยังโ้อเมกายอยู่กายของเรานี่แลเนะี่ยของเราคืออะไรกับกายของเราก็คือใจนะั่นะเอาใจมาพิจารณากายกายของเรานี่แลเนะี่ยกายของใจนะี่มันมีอยู่สองนะีกายกับใจกายของเรานี่และนะอุดทางปาตตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป จะปริยันตตัวมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนะี่อันนี้ก็คือเอาใจพิจารณากายร่างกายของเรานะมีหนังเป็นที่สุดรอบนะและ้ะจากนั้นปูโรนันปากาและสาอสุจินโนนะเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆก็จากนั้นก็บรรยายเข้าไปเลยตันี้มีตับมีปอดมีลำไส้มีอาหารใหม่มีอาหารเก่าในร่างกายของเรานี่แหละร่างกายของเรามีเป็นอย่างนี้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 พญานาคพอวันนี้เป็นวันออกพรรษาเพราะมีคู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มาถามไถ่แล้วก็เห็นหลายคนมาดูขึ้นมาชมบ้างไฟพญานาคหลวงพ่อเขาพูดให้คณะจัตตาญายายมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวการศึกษาวันละของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีไหมพญานาคมีนะจัตตาญายายมเอาต่อเ น, นี้ไปนั่งสมาธินั่นต์นี่จะจุระยะยังค่อย อยากย้ายกัน